พระพกกโยมทุกท่านนะ่ะก็ให้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาการฟังกลางวันก็ฟังเป็นแนวความคิดทั่ววไปกลางคืนน่ะตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปตั้งแต่พระวัดป่าบ้านตาทำวัดเสร็จแล้วไปจะเป็นธรรมะภาคปฏิบัติทั้งนั้นจนถึงตีห้าทำวัดเช้า นีถ้าว่าพวกเราอยากจะฟังธรรมะภาคปฏิบัติคงจะมีซ้ำกันบากแต่ว่าการซ้ำกันก็เถอะธรรมะอันนี้ฟังแล้วไม่เบื่อพูดอย่างน้นได้ที่องค์หลวงตาแสดงธรรมที่หลวงพ่อหรือหลวงคือผมเน่เข้าไปศึกษาเป็นเวลาสิบกว่าปีก็ น, นี่หละที่ท่านพูดให้ฟังน่นะตั้งแต่สองทุ่ม ถ, ถึงตีห้านทุกวันทุกวั น, นต่างกัน เทศต่างการต่างวันต่างเวลาต่างกลัมต่างวาระที่เขาเอาลงมาเปิดให้พวกเราได้ยินได้ฟังทบทวนธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงจะพูดนานถึงสองพันกว่าปีก็เป็นธรรมะที่ทันสมัยเพราะนั้นพวกเราจะไปถือว่าธรรมะหลวงตาที่ท่านพูดท่านเอาธรรมะทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ประพฤติธปฏิบัติมาแล้ว ท่านเอามาเผยแผ่ขยายผลให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะนั้นใหพวกเราตั้งใจฟังนะถือว่าไม่ขาดตกบกพร่องทีเดียวะการได้ยินได้ฟังของพวกเราจดจะว่าเบื่อในการได้ยินได้ฟังพลกนั้ถ้ากิเลสมันจะเบื่อนะแต่ถ้าทำแล้วไม่เบื่อฟังแล้วก็ยิ่งอยากจะฟังอีกยิ่งอยากจะศึกษาในแง่มุมต่างๆแต่ถ้ากิเลสแล้วอยากจะเบื่อนหน้าหนีไม่อยากจะฟังเะนั้นประวัติตัวกิเลสเราต้องฝึกฝนนะ เพรนั้นการที่จะเอาธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์มาฟังเนี่ยเราฟังกันอยู่แล้วนะต่างกลมุมต่างเวลาให้พวกเราตั้งใจฟังกลางคืนตึกสังัดเราลุกมานั่งภาวนานะพอนั่งภาวนาจบแล้วเราจะเปิดเทปฟังอีกเปิดวิทยุธรรมเทศนาหลวงตาฟังอีกแล้วก็นั่งปฏิบัติกําหนดดูที่ใจของเรา ไม่ต้องฟังเสียงท่านกําหนดที่ใจเสียงจะเข้าที่หูก็หนึ่งเราจะรู้ที่ใจที่ใจที่ใจที่ใจตลอดอันนัป็ว่าฟังเทศเป็นนะเอย่าไปใจลอยออกไปข้างนอกให้กําหนดพุทโธพุทโธอยู่ที่ตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองเสียงมันจะผ่านเข้ามาหูมันจะมารู้ที่ใจรับรู้ที่ใจรับรู้ที่ใจท่านพูดเรื่องอะไรอะไรเราจะรับรู้ได้เนี่ยอันนี้เปลว่าฟังเทศเป็นนะถ้าฟังเพศไม่เป็นก็ฟัง ออกไปส่งข้างนอกเพื่อจะใช้ความจำฮะความจำของความจริงเนี่ยมันต่างกันนะเพราะนั้นให้เราฟังความจริงก็แล้วกันจะฟังเพื่อจำนะฟังเพื่อความจริงในจิตในใจของพวกเราในขณะที่ฟังเทศนะจากนั้นถนาเรานะก็เขาจะเอากี่กันแล้วก็จบเรื่องว่าเราจะนั่งฟังเทศซะก่อนพอฟังเทศเจ็เรียบร้อยแล้วก่ออยดับวิทยุแล้วก็นั่งต่ออีกฮะ ฟังเทศแล้วก็ฟังธรรมเพราะงั้นแหะฟังเทศคือธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ชี้แจงลงตาชี้แจงฟังธรรมกันดูใจของตนเองดูเพ่งกําหนดดูใจของตนเองแลฟังธรรมนะเพราะฉนั้นพวกเราให้รู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองอย่างนั้นนะจิตใจของเราก็จะเจริญงอกเงยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปแต่ถ้ามาพวกเราอยู่แบบไม่คิดไม่อ่านอยู่แบบไม่ศึกษา มันก็ยังว่านอนหมุกเงื่อนความน่ากินหงายน่ากินอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพูดพวกเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะควรจะศึกษามาสถานที่ศึกษาแล้วมาเข้ามาอยู่ในสถานที่นี่แล้วมาเพื่อศึกษาธรรมะไม่ใช่อย่างอื่นนะอันการพูดอารัมพบทเรื่องเกี่ยวกับสถานีนวิทยุของพวกเรานะวันนี้เป็นวันพระ ขึ้นแปดค่ำเดือนสามอีกวันพระหน้าเป็นวันมาคะบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านให้เตรียมพร้อมเอาไว้เหมือนกันว่ามาคะหน้านี่วันพระหน้านี่ยเราควรปฏิบัติบูบชาอย่างไรอันนี้ให้พวกเราคิดเอาไว้ ควรจะอดนอนควรจะพร อ, อาหารควรจะเล่งความภาคเปลี่ยนควรจะไม่นอนทั้งตรอดทั้งคืนอดนอนทั้งคืนอได้ไหมวันมาฆาบูชาที่จะถึงเนี้ยวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาห้าหนึ่งวันนี้เป็นวันสิบสี่กุมภาห้าหนึ่งอีกไม่กี่วันก็ถึงวันมาฆาบูชาเพราะนั้นวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเรา ก็ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจอันดับแรกก่อนนั่งภาวนาให้มีสติเรานั่งอยู่ณสถ า, า, านที่ใดให้มีสติสติเป็นจริงที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งถ้าขาดสติแล้วแปลว่าการปฏิบัติของเราอย่าหวังเลยอย่างอื่นเลื่อนลอยทั้งหมดถ้าเรามีสติอยู่ในขณะใดเวลาใดเวลาขณะเวลาปฏิบัติถ้าเรามีสติแล้วนั่นละ่ะ มีความหมายมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในขณะที่เรานั่งขณะนั้นแต่ถ้าว่าเรานั่งอยู่ทสถานที่ใดก็ตามปล่อยใจปล่อยจิตปล่อยใจเลื่อนลอยเออระเหยลอยลมสติไม่อยู่กับตัวเองแปลว่านั่งเปล่าประโยชน์ให้เรานึกอย่างนั้นคิดอย่างนั้นนะเราจะกาหนดอะไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผลมาแล้วท่านก็กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบังคับ ท่านไม่ได้ว่าปล่อยธรรมดานะกำหนดธรรมดานะท่านบอกบังคับคําบัง ค, บ ค, บงคับก็คือว่าให้พยายามกําหนดให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นในเมื่อจิตของเราอยู่กับความสงบจิตของเราก็จะเข้าสู่สมาธิเป็นลําดับลําดับตามขั้นตอนคนี้กาอุปจาระอปปนาอันนี้ก็คือสมาธิ มีอยู่สามจากนั้นจิตของเราถึงจะพักนอนพักผ่อนเต็มที่หรือว่าหรือมันไม่เต็มที่ก็ตามพอจิตพอสงบเป็นพื้นฐานก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณากายเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่คือหลักกรรมาฐานหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้สำหรับพวกเรา อันนี้ก็คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางให้พวกเราปฏิบัติให้ดูแค่นี้ก่อนถ้าพวกเราจะเพ่งพินิษเข้าไปสู่ข้างในก็คือนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในลำไส้ของพวกเราในท้องของพวกเราที่มีหนังหุ้มอยู่มีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างอันนี้เราพิจารณาเข้าไปพิจารณาร่างกาย ร่างกายเนี่เป็นของไม่เที่ยงแท้ถาวรเราจะอยู่ได้ไปได้นานสักเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าชีวิตของเราจะมีเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่มีใครรับประกันได้พอถึงจุดจบมันแล้วถึงมันจะไปวันไหนมันจะใจขาดวันไหนมันจะตายวันไหนไม่มีใครรับประกันได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่ผ่านผ่านมากับเป็นตัวอย่างให้พวกเรารู้เห็นอยู่แล้ว เพราะนั้นให้พวกเรารู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายในไม่ใช่ของเรานะบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังถึงจะธนุถนอมก่อมเกลาขนาดไหนเลี่ยงดีธนุถนอมขนาดไหนให้อาหอาหารดีขนาดไหนรักษาดีขนาดไหนร่างกายในแบบมันเป็นอื่นอยู่เสมอมันไม่ใช่ของเราเให้เราดูพิจารณาดูด้วยปัญญาโดยความคิดของเรานะั่นะ เราเพ่งพินิษอยู่ข้างนอกเราเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายของเราที่ล้มหายตายจากไปทีละคนละคนน่ะอตลอดถึงผี่น้องญาติโยมของเราเนี่ยที่เขามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยตายไปทีละคนละคนน่ะอีกสักวันหนึ่งเรานะเอออันนี้เราคิดไว้อยู่เสมอเมื่อเราคิดไว้อย่างนั้นแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนั้นแล้วใจของเราจะไม่ลุ่มหลงมัวเมา หลงโลกหลงทางจิตใจของเราก็จะเข้ามาอยู่ในตัวตัวของเราพิจารณาเห็นร่างกายจากนั้นก็พิจารณาถึงใจใจเนี่ยมันเป็นหลงกายในร่างกายของเรามีอยู่สองรูปธรรมกับนมามธรรมย้ําแล้วย้ําอีกอยู่เนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นเราเอานมามธรรมพิจารณารูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็น เกษาโลมานะคะาคาทันตาตะโจอย่างที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยด้วยกันเนี่ยยี่สสามสิบกว่าชีวิตเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยที่เห็นกันเนี่ยคือโครงร่างคือร่างกายแต่จิตใจนะั้นไม่มีใครมองเห็นกันแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าตัวสําคัญก็คือตัวใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจุดนั้นแหละที่พวกเราพยายามทําจิตให้สงบเพื่อจะจับตัวนามธรรมนะ่ะให้อยู่ให้อยู่ในความสงบ เมื่ออยู่ความสงบควรแกการพิจารณาก็นำมาพิจารณาให้เห็นร่างกายเมื่อเห็นร่างกายแล้วก็พิจารณาใจทำไมใจของเราจึงไปหลงกร่างกายเออพราะร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของเรานะนี่แหละพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทบทวนอยู่อย่างนั้นในเมื่อพิจารณาทบทวนอยู่หลายครั้งต่อหลายหนอันดับแรกมันก็จะต้องเป็นสัญญาขังขานซะก่อน นะอันนี้ยอมรับว่าเป็นสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งแต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อเราพิจารณาหลายหลายครั้งต่อหลายหนเราจะเห็นดูเห็นตามความเป็นจริงเข้ามาเราพวกเราจะเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วนะ่ะความซึ้งในพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วเห็นตามความเป็นจริงเราจะรู้ได้เห็นได้ด้วยความเป็นจริงนั่นแหละท่านนี่ ความปล่อยวางและความไม่ยึดมั่นถือมั่นจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราที่หลวงพ่อเองได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าใช่การพิจารณาถึงมรณะนุสติความตายเราพิจารณาเห็นคนอื่นตายเราพิจารณาถึงว่าตัวเองก็จะต้องตายมันก็ยังไม่ซึง้งถึงจะพิจารณาอย่างไรมันก็ยังไม่ซึง้งแต่เมื่ อ, อไหร่ขาวนี้แหละเป็นมะเร็งละ อีกสามเดือนนะเออเป็นมะเร็งระดับที่สี่แล้วนะตายแน่นะเพียงแค่นั้นละ่ะความคิดความอ่านสมัยก่อนที่เราพิจารณาสมัยก่อนนั่นนหะกับเมื่อเราได้ยินวันนั้นเป็นครั้งแรกน่นะมันจะถึงใจกว่ากันซึ้งกว่ากันเอยิ่งใจจะขาดเข้าเมื่อไหรถ้าเราสติของเรายังดีอยูมอ่มาหลานี่แหละใจจะขาดในช่วงนี้นั่นแหละ ความซึ้งในจิตในใจของเรามันจะเห็นได้ชัดเจนซึ้งเพราะฉะนั้นความซึ้งคํานี้หละ่ะเราอยากจะให้เห็นก่อนวันมรณะภัยมาถึงให้พิจารณาให้มันซึ้งในจิตใจและให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นละ่ะอย่าให้มันที่ว่ามันซึ้งขณะที่ใจจะขาดนั่นนะแต่เมื่อใจจะขาดมันซึ้งคราวนั้นมันไม่ได้ซึ้งโดยการพิจารณามันซึ้งตามความเป็นจริงมันจะจิตใจจะหลุดลอยออกไปแล้วมันก็เลยซึ้ง พอซึ้งแล้วก็ไตใจขาดไปแต่บางคนถ้าซึ้งเข้าไปแล้วเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนันตาเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมัน่นโอ้ถือจะเกิดพบหน้าชาติหน้าก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นสมะสีสีก็จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นพราะเกิดความเบื่อหน่ายคลายแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นยึดมันถือมั น, มนทั้งกายด้วยเห็นรู้เท่าเห็นโทษทั้งสองฝ่ายปล่อยวางนั่นแหละ ความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นในในใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้ผมจะไม่พูดมากผมจะย่นย่อให้ฟังอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเอาอยัางไงจิตใจของเราจะเป็นสมาธิกำหนดอะไรกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายเกยสรลมมานขาทันตาตาโจให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็พิจารณาถึงใจนะใจมันเป็นหลงกายนั่นแหะนะให้พิจารณาหลายครั้งต่อหลายหน ตอนที่แรกก็เป็นสัญญาสังขารซะก่อนต่อมาแล้วเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานี่แหละเราจะอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาเนี่ยเราจะเอาปัญญาจุดนี้หละ่ะเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงจะถอดถอนกิเลส ด, ด้วยปัญญาไม่ใช่สมาธิสมาธิเพียงแตะ่ตะล่อมเข้ามาเองปัญญาเท่านั้นนะที่จะฟันเชืดเฉือนตัดยำขยําเข้าไป ให้มันแหลกละเอียดคือปัญญาที่จะถอดถอนได้ก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นในพวกเราก่อนที่จะเกิดปัญญาอันลึกซึ้งได้มันก็ต้องสัญญาสังขารอย่างที่ได้กล่าวไว้นะเห็นร่างกายเห็นคนตายอย่างอื่นมันก็ไม่ซึ้งแต่พอตัวเห็นตัวเองเท่านั้นละ่ะว่าตัวเองจะตายมันซึ้งเพราะฉะนั้นอยากจะให้เห็นอย่างนั้นในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วนั่นใจของเราจะไม่ จะถอดจะถอ น, จ, ถอนจากกิเลสราคาโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจนะนี่แหละวันนี้ผมจะไม่ขอพูดอะไรมากมายคล้ายๆกับพูดโครงสร้างใหญ่แล้วให้มันเล็กเนี่เอาเป็นแนวปักพฤชปฏิบัติเหมือนกับยนยอกโครงของเสือให้เป็นแมวอย่างนั้นนะวันนี้นะโครงเสือให้เป็นแมวคือเสือนะมันตัวใหญ่แต่มันแมวนะมันตัวเล็กแต่มันโครงสร้าง ลักษณะคลึงกันเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันผมจะไม่ได้พูดอะไรเล่เหลี่ยมของกิเลสนานับประการที่พวกเราจะต้องต่อสู้พยายามถอดถอนพานาิจารณาไข้ควรทบทวนนั้นผมจะไม่ขอพูดยืดยาวพูดตรงเนี้ยเอาภาคปฏิบัติเนี่ยสมาธิจะทํำยังไงใจของเราจริงจะสงบเมื่อใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วจัดพิจารณาอะไรเมื่อพิจารณาอะไรให้รู้อะไ ร, ใ ห, ร, ะไรให้รู้กายเมื่อรู้กายแล้วจะใครเป็นคนหลงกาย เมื่อหลงกายแล้วเอใจเป็นคนหลงหลงกายนั่นแหละหลงทําไมเอรักทําไมหลงทําไมในเมื่อไม่หลงกายก็ไม่หลงอย่างอื่นถ้าหลงกายแล้วหลงไปหมดทุกอย่างจักรวาลมันเป็นถือว่าเป็นของเราทั้งหมดเพราะมันหลงกายทํานันไม่หลงกายเสีอย่างเดียวเท่านั้นรู้เท่ารู้ทันปล่อยวางเอใจไม่หลงกายแล้วครับผลที่สุดก็ไม่รู้จะจิตมันทําถือมันทำใหมนั่นแหละจิตใจ ของเราก็จะเข้าสู่อมตะธาตุอมตะธรรมไม่ยึดมัน่นถือมันก็ปล่อยวางนิพพานังปร r a m a n สุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปร r a m a ศูนอย่าง น, านสิสิตนิพพานศูนย์ศูนย์เชื้อไม่ให้มาเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันไม่มีเชื้อแล้วหมดเชื้ อ, อจิตใจหมดเชื้อนะไม่มาเกิดอีกนิพพานังปร r a m a สุขขังในเมื่อมันหมดเชื้อแล้วมันมีแต่ความสุขอมตะธาตุ มตาธรรมนะการพูดวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรขอจุติ